พระธรรมเทศนาแผ่นที่หนึ่งรลำดับที่ส0บโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่29พฤศจิกายน2559หมีชื่อเรื่องว่าอานิสงส์ศิลครึ่งวันก่อนอื่นพวกเราได้สังเกตไหมวันนี้อาจารย์เจริญ ไม่ได้มาร่วมกับพวกเราท่านเข้าไปหาหมอไปตรวจสุขภาพทราบข่าวว่าท่านไปตรวจที่จุฬาเพราะนั้นพวกเราคณะสัทธายาจงพระครูบาอาจารย์ตลอดถึงพวกเราต้องเทจิตเทใจแล้ ว, ว่าน้อมเรียว่ามอบบุญกุศล ที่พวกเราได้ทําบุญร่วมกันมาขอขอให้อาจารย์เจริญมีสุขภาพพระนไ ม, มัยที่แข็งแรงนะก็หายจากโรคขาพยาธแล้วก็ให้หายวิตกกังวลในสุขภาพของอาจารย์เจริญที่ท่านได้ทําคุณงามความดีอย่างพวกเราท่าน ท, ทั้งหลายได้เห็นมาทีไรท่านก็ได้เป็นผู้นำเป็น ผู้ลองจากคุณชายของพวกเราอคุณชายเป็นประธานใหญ่และอาจารย์เจริญเป็นผู้ดําเนินการอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นในช่วงนี้ท่านเข้าไปสบายให้ไปโรงพยาบาลเพราะนั้นพวกเราที่มาร่วมกันเป็นญาติธรรมของพวกพวกเรานะอาจารย์เจริญเป็นญาติธรรมของพวกเราเมื่อท่านเจ็บใค่ได้ป่วยพวกเรากรดเทจิตเทเทใจขอให้ท่านอาจารย์เจริยหานหาย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 วันนี้เป็นวันพระใหญ่นะลูกหลานสัทธาญาติโยมเป็นวันเดือน12ดับเนีเป็นวันพระและก็เมื่อเช้าในพระสงฆ์ที่มาร่วมกันก็ได้ลงอุโบสถนะเพราะว่า15้าวันจะมีลงอุโบสถทุกครั้งขาดไม่ได้ถ้าขาดแปลว่าผิดศีลและผิดวินัยของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นเมื่อเช้าในพระสงฆ์ก็ลงอุโบสถตั้งแต่ตีห้า พอเสร็วัวสดเสร็จแล้วก็สว่างพอดีเพราะว่านั้นเป็นกิจของสงฆ์ทุกสิบห้าวันนี่ก็เลอยากจะพูดให้กับคณะสัตายาญาติโยมอีกเหมือนกันเพราะว่าวันพระม่ใช่ว่าจําเป็นจกเฉพาะพระพระสงฆ์เท่านั้นนะเป็นหน้าที่ของสัตายาญาติโยมพุทธทบริษัทของพระพุทธเจ้าด้วยเพราะฉนั้นขอให้พวกเราเมื่อถึงวันพระเช่นนี้ควรจะ สมาทานศินเออเมื่ออเิสงสินเนี่ยจะคุ้มครองพวกเราในหลักของพุทธะพระพุทธเจ้าท่านปราัสว่าสีเลนะสุขติยันติผู้จะไปสู่สุขติได้เพราะศินสีเลนะโพกสัมปทาผู้มีผู้ที่จะมีโพคะสมบัติได้เพราะศินสินคุ้มครองสีเลนะนิพุติยันติผู้จะไปสู่นิพพานได้ เพราะสิถ้าว่าคนไม่มีสินไม่สำมรวมกายวาจาของตนเองเป็นผู้ทุสินจะอยู่ในสถานที่ใดมแต่ความเลือร้อนวุ่นวายาหาความสุขไม่ได้เพราะอะไรเพราะเป็นผู้ย่อหย่อนในสินทันยังว่าสีเลนะสุขติญยันติสีเลนโภค็สัมปทาเนะผู้ที่จะไปสู่สุขติได้เพราะสิน ในครั้งพุทธการยังมีนะศรัทธาญาติวงศลูกหลานเดี๋ยวหลวงพ่อจะสาธยกให้มาเป็นตัวอย่างให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาเมื่อพระองค์เมืม่อพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีสมัยนั้นมีพุทธอุปถาของพระพุทธเจ้าก็คือทั้งฝ่ายอุบาจิกาฝ่ายผู้หญิงก็คือนางวิสาขานะท้ฝ่ายอุบาสกก็คือ อนาถาบิติกเศรษฐีเป็นผู้ประถมประถากพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าเนี่แหละถวายปัจจัยสเมื่อพระสงฆ์ไปทสถานที่ใดบินเท่าบาทไม่พอฉันหรือว่าบินเท่าบาทจะเดินทางไกลไปทางเรือหรือว่าเดินทางมาถึงกรุงสวรรคทีแล้วยังหาที่ไปบินเท่าบาทยังไม่ได้ก็มาเนี่ยนะบ้านโยมสองโยมนี่แหละ เป็นผู้รับพระสงฆ์ทั้งหลายเขามาฉันบินทบาทอันนี้ก็คือเป็นโยมอุปธรมรมทฐากพระพุทธยาวแต่มาครั้งหนึ่งเ่ยอนณาถาบริการเศรษฐีเนี่ยท่านให้คนในบ้านของท่านทาเป็นวันพระอย่างนี้หละท่านจะให้คนในบ้านรักษาศีลให้ทานอาหารมื้อเดียวจากนั้นก็ให้รักษาโวสตร์ทั้งหมดทุกคนขนาดเด็ก ก็ให้ฐานก็ให้ดื่มน้ำนมถึงเที่ยงแล้วก็หยุดไม่ให้กินนมนมแม่อีกออท่านให้รักษาสิ่งแคร่งขนาดนั้นนะอานาถาเมิติกะเศรษฐีตัวของท่านเองก็เป็นพระโซดาบันพวกคนในบ้านให้ท่านให้นําให้นีน่ให้พวกเราเกิดมาได้พบพระพุทธเจ้าแล้วก็พวกเราควรจะทําดีไม่ควรจะพลาดโอกาสท่านก็แนะนําสัง่งสอนบริวารของท่าน แต่วันหนึ่งมีชายบ้านนอกนะมีชายบ้านนอกคนบ้านนอกเข้ามาเขามาหาสมัครงานนะออพอเขามาถึงในอาชาถามประเดิกเห็นคนนี้เป็นผู้นิสัยดีดูดูดแลเขาเป็นคนคนดีดูกิริยามารยาทอ่อนน้อม เ, ออเขาก็มาสมัครมาทำงานถามว่าจะมาจะทำงานอะไรสุดแท้แต่เจ้านายจะให้ จะให้ทาครับเออเดี๋ยวนี้คนเลี้ยงโววิทย์้ยงวัวนะเลี้ยงโคนะเออมันขาดไป อ, อ้าวเออจ้าเคยเลี้ยงไหมเคยครับเออถ้าอย่างนั้นเจ้าก็เป็นคนเลี้ยงวัวกันแล้วกันนะเออครับแต่นี้เขาก็คืออนาถบริการเศรษฐีตอนเช้าเยเขาจะมีโรงทานเราเลี้ยงลงลงเลี้ยงอาหารนะ คนก็ามารวมอาหารทานรวมาหารรวมกันทานอาหารพอทานอาหารเสร็จแล้วใครจะไม่ได้มาทรับทานอาหารเที่ยงเขาจะห่อข้าวให้นะ เ, เขาจะห่อข้าวให้ไปกินอาหารเที่ยงแล้วก็ตอนเย็นก็มาทานอาหารเย็นด้วยกันอันนี้คือกฎระเบียบของอนาถาเมติกาเจษถีที่ท่านเลี้ยงลูกน้องของท่านที่อยู่ในบ้านของท่านที่ทําการทำงานแต่วันนั้นชายคนนั้นที่ว่าเนี่ะ พอทานอาหารเสร็จเรียบร้อยคนก็เยอะพอเที่ยงเขาก็ทานอาหารเอาอาหารไปทานในในหน้า ง, งานใครเข้าไปสถานที่เลี้ยงวัวของเขาพอกลับมาตอนเย็นเลยเตะกอนมาคนยัวเยะไปหมดคนเต็มไปหมดมที่มากินข้าวแต่วันนั้นไม่มีคนเลยไม่มีใครอ ไม่มีใครหายเงียบในที่ทำงานอนนาณาไายชายถุงคนนั้นกับบัวเมะทำไมคนวันนี้จะไม่มีใครเขาบอกว่าวันนี้เป็นวันพระเขาจะไม่ทานอาหารเย็นในบ้านเนี้ยเหมือนบริษัทนี้เขาจะรักษาศีลุวโวสดทุกคนตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็ก ขนาดจาอยู่ในนมเขายังให้กินแต่ของหวานกินพวกน้ำอ้อยน้ำตาลเท่านันเองเขาจะไม่ให้ดื่มนมมันเป็นอาหารเพราะนั้นบ้านเนี้เขาหยุดเขาไม่ให้ทานอาหารเย็นวันนี้เป็นมวนพระชายถึงคนนั้นก็เอ๊ะถ้าจะเป็นลักษณะอย่างนั้นน่ะผมขออรักษาศีลได้ไหมผมมาถึงตอนเย็นเนี้ยผมขอรักษาศีลครึ่งวัดนี่ได้ไหมเพราะกลางวันผมไม่ได้รักษาแต่ผมจะรักษากลางเย็นตอนเย็น ทางพวกไ อ, อ, อ, อ้พวกที่แม่ครัวนะคือนะอนณาถาบัิกาเศรษฐีสั่งเอาไว้นะเออลูกเราก็ลืมบอกไอ้นั้นนะไอ้หนุ่มนะไอ้หนุ่มป้า น, นอกนะ่ยมันมาเลี้ยงวัวให้เรานะเน่ยเราก็ไม่ได้บอกเขานะ่ยไ อ, อ้เทียมอาหารไว้ให้เขาด้วยนะเผื่อเขามาได้ได้เลี้ยงอาหารเขาต่อไปเราค่อยบอกเขาว่าวันพระจะไม่มีการเลี้ยงอาหาร อ, อ, อาณาถาบัณฑิตันสั่งขนาดนั้นเอางัดูแลลูกน้องบริวาร แต่ตอนนี้ก็พอมาถึงตอนเย็นเขาก็เตรียมอาหารไว้สําหรับคนคนเดียวใช่ไหมเขาจัดอาหารให้เพราะอาหารเอ้าทําไมไม่มีใครทานอาหารกับผมครับวันนี้โอ้วันนี้คนไปรักษาศีลนคนรักษาศีลอุโบสถเขาอยู่ในที่สงบเงียบหมดอยู่ในห้องใครห้องเราเขาไม่ทานอาหารวันนี้เอ้าถ้าอย่างนั้นผมจะรับขอจะลับผมไม่ทานอาหารผมจะรับรับศีลสักครึ่งวันได้ไหมเนี่ยผมจะไม่ทานเลยวันนี้ คนนั้นก็ไม่รู้จะตัดสินใจยังไงเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าสินของพระพุทธเจ้าเน่ยเป็นยังไงว่าดิฉันก็ไม่กล้าที่จะบอกแล้วนั่นเด้ไปบอกเจ้านายขอถามเจ้านายดสซิ <c oughs> เขาก็เลยไปถามอาณาถามริตกาเศรษฐีบอกว่าเจ้านายแห่คนเนี่ยเลี้ยงวัเนี่าจะรักษาสินครึ่งครึ่งหนึ่งได้ไหมอาณาธามริตกาเศรษฐีว่าได้การรักษาศินเนี่ย รักษาถีลวันไหนก็เป็นศีลวันนั้นน่ะเป็นบุญเป็นกุศลวันนั้นน่ะสมาทานเมื่อไหร่ก็เป็นบุญเป็นกุศลเมื่อก็เราทําบาปทําบาปเมื่อไรเวลาใดก็เป็นบาปเมื่อนั้นเราทําบุญเวลาไหนเดือนไหนปีไหนขนาดไหนก็เป็นบุญเวลานั้นถ้าเราสมาทานศีลมันก็ต้องเป็นศีลหนึ่งสิเป็นบุญกุศลเอาได้เขาจะมาทานสมาทานก็ได้เลยนะอคนใช้ก็ไปบอกให้เขาสมาทานเพราะสมาทานเลย เขาเคยทานอาหารทุกวันเนี่ยพ่อทานอา้อาวผมจะผมจะไม่ทานอาหารเออผมจะรักษาศีลอุโบสถพอเสร็จแล้วเขาก็อาบน้ําอาบท่าก็ไปหาที่พักของเขาเนี่พอไปหาที่พักของเขาเท่านั้นแล่ละวันี้คนไม่เคยทานอาหารใช่ไหมล่ะคนเคยไม่เคยคนไม่เคยอดอาหารเนี่ยมันเคยทานทุกทุกวันทุกเวลาพอถึงดึกดึกมาเท่านั้นแหละตอนนี้ มันไฟมันไม่ท้องเสร็จแล้วเนี่ ย, ลยลมันร้อนท้องขึ้นมาเออทุรนทุไรไอพอทุรนทุไรไลเสร็จแล้วก็มันปวดท้องแทนเขาก็เลยไปบอกเจ้านายอาาถาพฤติกรรมเศรษฐีเจ้านายอะไรเ่ยอาณาถาท่านอาณาถามไม่ดีคนที่อดอาหารเน่ยเขาจะรักษาโหวส่วนเขาปวดท้องมากเลยจะทํำยังไงเออไปไปไปเอาเอ า, เอ า, เอานมเอาอะไรให้เขากินซะ เอออาน้ําตกน้ําตาลก็ไดเ้เพื่อกินให้มันยาท้องของมันบ๊วยผมเพียงรักษาศีลเพียงครึ่งวันเท่านี้เออผมก็ยังจะรักษาไม่ได้ผมยอมตายครับผมไม่รักผมจะรักษาศีลตลอดครับผมไม่ยอมกินครับเออผลิตสุดก็ไม่ยอมทานอาหารจริงๆอดพอถุน่สุดตะแกก็เลยชักตลิ่นชักงอบนไฟมันไม่ท้องใช่ไหมเออตะแกก็เลยตาย ตายรักษาศีลเพียงครึ่งวันออพอตายเสร็จแล้วอ น, น, สอ น, นิสงส์อนิสง์ศีลของแต่แกนะ่ะเรียกว่าสีเลนะสุขติญยันตินะเนี่ยพอตะแกตายอ น, นิสงเพียงครึ่งวันเท่าไรเองตาแกไปเกิดเป็นลุะเทวดา อ, อ, อยู่ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งอยู่ในชายเมืองชานเมืองออต้นไม้ต้นไซนะ่ะต้นไซใหญ่ต้นหนึ่งออพออ น, นิสง์ รักษาศีลเพียงครึ่งวันพอต่อมาพวกฤาษีสีพยอยู่ในป่าอยู่ในป่าได้ได้ยินข่าวว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อุบัติขึ้นแล้วในโลกพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกพวกเราควรจะได้ไปฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้สำเร็จมรรคผลฤาษีห้าร้อยน่ก็มาจากในป่าพอเดินเดินเดินมาระยะเวลาหลายวัน พอมาถึงต้นไซตใหญ่ต้นนั้นนะ่ะเออจะเบี่ยงเดินทางมันหมดเพราะมันเ ไ, ไม่มีผ ล, ลไม้ในละแวกนั้นอีกแตเนี่ยพวกลือสีเนี่ยพวกกินผลไม้รากไม้ใช่ไหมละ่ะพอมาถึงด้วนั้นะไม่มีผ ล, ลไม้กินเออไปกัเอาเครื่องทับสัมปละคือว่าเครื่องที่หลับที่นอนของตอนเองนะี่ยเอ่อกระเป๋าบังนังเสือบังกองไว้เลยกันอนเน่ยโอ้ตายน้ําก็ไม่ได้กินเลยอาหารไม่ต้องพูดถึง อหิวน้าก็หิวแตนะ่เนี่อทางฤาษีผู้ใหญ่นะบอกโอ้ต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นไม้ที่สมบูรณ์จริงๆต้นไม้ไซตตัวนี้นะต้องมีเท พ, พเจ้าเหล่าเทวาอาศัยแน่ๆเป็นต้องเ ป, เป็นผู้มั้เป็นผู้มีเป็นต้องเป็นผู้มีบุญหนักสักใหญ่นะอาศัยต้นไม้ตนนัวนี้เอฤาษีบอกต้นไม้สมบูรณ์สวยงามท่านก็เลยตั้งจิตอธิษฐานะเป็นหัวหน้าฤาษีนะ เ, เท พ, พ, พเจ้าเหล่าเทวาเอ้ยที่รักษาต้นไม้ต้นนี้น่ะ ข้าพเจ้ามั่นใจว่าท่านเป็นผู้มีบุญหนักซักใจที่ได้ต้นไม้ต้นนี้แปลกกว่าต้นไม้ทั้งหลายถ้าหากว่าท่านสิงสถิตอยู่นาทีนี้ก็ขอให้ท่านเอาน้ําออกมาให้ข้าพเจ้าทานด้วยเถินเพราะข้าพเจ้าหิวน้ำเหลือเกินเดินทางไกลามาน้ําก็เป็นอาบจมขนาดน้ํากินก็ยังไม่มีไม่ต้องพูดถึงน้ําอาบถ้าท่านเทพเจ้าภูมิลูกข้าอยู่ที่นี่ก็ขอให้ปล่อยน้ําออกมา ให้ผู้ค้าผู้ค้าได้ทานได้ดื่มน้ำโดยเทินะพอว่าตอนั้นน้ําไหลออกมาจากต้นใสแล้วกิ่งใสไหลจ่าเข้ามาโอ้ฤทธิโอ้กินน้ํากันสิพอกินน้ําเสร็จโอีท่านผู้มาลูกขาเถอผู้ค้าได้กินน้ำมันก็ยังหิวอาหารอย่างมากไม่รู้จะเดินทางไปถึงพระพุทธเจ้าหรือเปล่าขอให้ท่าน อให้อาหารกับข้าวไปเจ้าโดยเทอเนี่เพราะว่าท่้นข้าวห่อไหลลงลงมาจากปูปักปูปักปูปักแล้วลงมาให้พวกลือศรีนั้นได้กินได้กินข้าวเนี่ยพ่อกินข้าวเสร็จแล้วลือศีหัวหน้าเราบอกโอ้ยท่านผู้มรุกขเทวดาเอ้ยท่านเป็นผู้มีบุญหนักสักใหญ่แต่ข้าวไปเจ้าอยากจะเห็นท่านเหลือเกินว่าเป็นคนเป็นท่านเป็นผู้อย่างไรเทวดา ที่ให้มีเมตตากับผงผงข้าพเจ้าเนี่ย เ, เทวดาก็เลยปรากฏออกมาพอปรากฏออกมาเป็นภูม ะ, เ ป, มะเป็นภูมะเทวดาคือสวยงามเลยก็เลยถามว่าท่านภูมะท่านทำบุญอะไรไว้จึงได้เป็นผู้มีบุญหนักศักดิ์ใจขนาดนี้ผูมะเทวดาโอ้ย่าเลยอย่าถามข้าพเจ้าเลยข้าพเจ้าทำบุญเพียงนิดหน่อยเลย เออไม่อยากจะพูดอายอายอานเอาเธอขอให้ท่านพูดให้ฟังเถอะถึงจะอายอยังไงพวกผมก็อยากจะรู้ขอเมตตาเออผูมะภูมะภ้มเัเทวดาก็เลยเล่าให้ฟังว่ารักษาศีลเพียงครึ่งวันเออแล้วเิดอะรรักษาศีลมเลยตายเพราะว่าอาหารมันเออมันปวดท้องแรงเพราะไม่มีอาหารในท้องน่ะ ข้าพเจ้ายอมตายไม่ยอมขาดสินเพราะนั้นอเ น, อ น, อนสง์ในการรักษาศินของข้าพเจ้านั่นแหละอทอี่รักษาศินในวันนีนะ้ที่อย่างพวกเราท่านทั้งหลายแต่ข้าพเจ้าอายที่จะพูดว่ารักษาสินเพียงหน่อยเดียวตัวเองก็ได้อเ น, อนสง์อย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นจากนั้นท้าวเาหล่าฤาษีเหล่านั้นโอ้เพียงอเ น, อนสงรักษาสินเพียงครึ่งวันเท่านี้เอง ก็ยังเป็นบุญเป็นกุศลมากถึงขนาดนี้ถ้ารักษาศีลตะออกตั้งใหญ่รักษาศีลเป็นวันเป็นคืนเป็นเดือนเป็นปีอันนี้สงฆ์จะมากขนาดไหนจากนั้นเหล่าลือศีแล้วได้ไปกราบทูลพระพุทธเจ้านะไปฟังเพื่อทำประเทศนาพุทธยาอุทมประออเออร์หรือศีเนี่ยมันเป็นจริงอย่างที่ภูมิลุกขาเทวดาเขาพูดให้ฟังนั่นนะคนที่คุณธรรมคุณงามความดีต้องเป็นอย่างนั้นอันนี้สงสี สีเลนสุขติงยันติผู้จะไปสู่สุขติได้เพราะสิลสีเลนะโพก็สัมปทาผู้จะมีโพคะสมักสมบัติได้เพราะสิลสีเลนะนิพุติงยันติผู้จะไปสู่นิพพานได้ก็ต้องเพราะสินสินเป็นพื้นฐานเป็นหลักฐานเหมือนกเราจะทําอะไรก็ต้องมีฐานก่กอนเนี่ยสินในเป็นฐานคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวง เพานั้นพวกเธอท่านอรรใ้อยตั้งอยู่ในความประมาทเ้อนี่แหละอันนี้แหละคื อ, อ, อ ส, ะสะรุปแล้วก็คือสายทุกตะคนนั้นนะได้คบกับบัณฑิตนักปราชญ์คืออาณาธมิติกะเศรษฐีถ้าคบกับคนดีก็ดีตามนะถ้าครับคบกับคนเลวก็เลวตามอีกเหมือนกันท่านจะบอกคบให้คบกันไรยานมิตรคบที่มิตรดีย่าคบป่าประมิตรมิตรชั่วถ้าเราครบมิตรชั่วน่ะ ถ้าคบมีชั่วเราจะชั่วไปตามมิตรไปตามมิตรตามสหายตามเพื่อนฝูงถ้าเราครบเพื่อนฝูงที่ดีแนะนําไปในทางที่ดีแนะาำแนะนําไปทางกุศลแนะนําไปทางคุณงามความดีเราก็ได้ดีไปด้วยนะถ้าว่าเราครบกับคนชั่วเราจะตกต่ํานะหรือบางครั้งเราไปคบกับคนขายยาบ้าย า, า้าคัญชายยาฝิ่นนะเรื่องของผิดกฎหมายอย่างนั้นนะ เรื่องไปทําติดกฎหมายกับเพื่อนผัวที่สุดเราเคเข้าคุกเข้าตารางไปถ้าเราครบกับคนดีมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเพราะฉนั้นการละยานมิตรที่สำคัญนะแต่หลวงพ่อเองอยากจะพูดเกี่ยวกับการละยานมิตรอีกเหมือนกันนะเออย่างพระโมกคลาข้าพสาริบุตรเป็นเพื่อนกันนะในกรุงราชสักข์ อ, อีกเหมือนกันเวลาไปเห็นกับท่านก็เป็นเศรษฐีทั้งคู่นะทั้งตระกูลเศรษฐีใหญ่ในกรุงราชสักข์เลยละ่ะ สินี้ใจท่านไปดูชมการชมงานณนะสถานที่ใดถ้ามีทิปย์ท่านก็เอาทิปทย์ทอยวันถ้าหัวเราะก็หัวเราะตบมือก็ตบมือเออแปลว่าพอใจแปลว่านั่งเก้าอี้เคียงคู่กันเอยกเก้าอี้สูงๆนะบริวารค 500, นละห้าร้อยนะโมครากสาลิบุตรเป็นลูกเศรษฐีในกรุงราชเคือแต่วันหนึ่งบุญบา ร, รมีของท่านแก่กล้านะอาสองเพื่อนสองสหายไปไปเห็น เขาละเล่นหม้อหรละศพตะกรเนี่ยโอ้สนุกสนานตบมือเออ่ให้เ อ, อเทพของเขาอ่ะพอลูกเสด็จถีเน่ยแต่วันนั้นเน่ยสารีบุตรขัเงียบโมกคลาข้องเงีย บ, มงงยบไม่แสดงอากัปกิริยาเพราะบารมีแก่กล้าเลยไงวันนั้นพระสารีพระโมคขลาเลยถามว่าสารีบุตรทาไมสหายเพื่อนทําไมไม่สนุกสนานเหมือนวันก่อ น, นวันนี้ทําไมท่านเก็บตัวเงียบเลย ผมดูท่านผิดปกติวันนี้โอ้โหโมฆลาผมเห็นคนเหล่านี้ทั้งมวถึงจะสนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮาขนาดไหนก็เถอะความตายมันอยู่ข้างหน้าทุกคนจะต้องตายแล้วไปสนุกไปทำไมสนุกไปหาความตายมันไม่ใช่ของสนุกนะ เ, เพราะนั้นผมเห็นวันนี้ผมมันแปลกวันนี้ผมสลดใจช่วนลึกๆมันเห็นมรณะภัยเข้ามาอยู่แค่เอื้อมค้อนั้นเอง แลท่านล่ะโมกคลาลนะ่ะผมก็เห็นท่านเหมือนกันนะท่านก็เงียบๆขึ้นขึ้น ม, มาเลยท่านมีอะไรโว้ยผมกเหมือนกันครับนั่นแหละบุญบารมีมันมาถึงมันเป็นอย่างนั้นนะเห็นของไม่เที่ยงังเห็นความตายเข้ามาแค่เอื้อมมันหาความสนุกไปได้จากนั้นโอปะโมกคลา เ, เราควรจะไปส่อแสวงหาอาจารย์เถอะว่าหาทางของเราเถอะว่าเนี่ไหนถึงจะไม่เกิดแก่เจ็บตายนะมันต้องมีนะ เออไปก็ไปกันเลยสองสหายเนี่ยก็ไปด้วยกันเลยลาบริวารพ่อไปก็ไปอยู่กับสันไทปริภาชกเน่ไปอยู่กับสันไทรสันชทรก็สอนเน่สอนวิธีการไม่ใช่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ใช่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่เ <c oughs> พนะราะราะโมอากอาไก็สารให้บวชโอ้ไม่รู้หาจุดยืนม่ได้อาจารย์สันใสรสอน ไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่ทางแ่ะวถูกถูกแลอ้อมันหาทางออกไปได้เหมือนกับวนัววัววนอยู่ในคอกเนี่ยไม่ใช่ก็ยังไม่ใช่ไม่ใช่ก็ยังไม่ใช่อีกอันไหนคือใช่เธเนี่เออมันไม่ถูกละไ ป, ป, ป, ป, ปหาทางไปหาทางอื่นตะเด้ขโมกคลากษาริบูตรก็เลยที่บวชเป็นสันชัยเนี่ยเป็นนับถือตักทีเนี่ยก็เลยไปคนละทางกันเออไปคนละทางไงคนนึงไป ไปหาสอแข่งหาครูบาอาจารย์นะนี่ยต้องเราต้องแ ส, สวงหานะครูบาอาจารย์นเนี่ยการครบค้าสมาคมและการมีครูบาอาจารย์น่าจะดีกว่าถ้าว่าเราไม่มีครูบาอาจารย์ที่ดีนเนี่ยเราจะดีได้อย่างไรก็แยกกันเพราะแยกกันภาษาลิบุตรไปเห็นท่านอัจฉริย์ที่ไหนที่เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้ามีลูกศิษย์อหพระองค์นะโกนธัญญาวัปปะ อัติยะมหานามอัจฉชิเนะี่ยองที่อัจฉชิองค์จุดท้ายเนี่ยนะ อ, อ, องค์ที่ห้าเนะี่ยท่านไปบินธบัตในกรุงราช จ, จะคือในวันนั้นพอท่านไปบินธบัตตรงกรุงสราช จ, จะคือสารีบทก็เป็นผู้มีปัญญาเที่ไหนะไปเห็นเอ๋อส ม, มณะเราไม่เคยเห็นเลยเลยส ม, มณะอยู่ในยูนิฟอร์มเนี่ยนะเรายังไม่เคยเห็นปลงผมผ้ากาสาวพัดแล้วก็คลองผ้าอย่างนี้ แต่ก็จับตามองเดยเวลาลบบรับปิตบาทก็เดินเข้าไปแบบไม่แสแสงเหมือกันฮะ เ, เข้าไปกับแบบมีสติสัมปชัญญะเวลาถอยออกมาก็มีสติสัมปชัญญะอากับกิริยาทุกอย่างพระคน เ, นเอส ม, มณะองค์เนี่ย เ, เราไม่เคยเห็นที่ก่อนเหลือเกินทำไมสวยงามอากับกิรยิยาท่านทำ เออชำรวมระวังดีมากตอนนี้ภาษาริบุตรที่เป็นหนุ่มนะเดินตามสะกดรอยตามนะเดินตามตามตามตา ม, ตามไปพอไปพ้นเมืองนะพอไปพ้นเมืองท่านภาษาไอ้พระอัจจชี้เนี่ยท่านก็เตรียมหาที่จะฉันใช่ไหมละ่ะท่านก็มองซ้ายมองขวามองหาที่นั่งนะเออภาษาริบุตรเห็นเออท่านอัจจชี้เนี่ยท่านสมณะท่านเนี่คงจะหาที่นั่งฉันนะมั่งเนี่ย พระสารีพุทธเป็นผู้มีปัญญาอยู่แล้วใช่ไหมท่านก็โดดเข้าไปกับไปหากิ่งไม้หักขาคกิกกกกกกก่งไม้เอามาปูรองนั่งนะพระอาจิชิ้ท่านก็เห็นแล้วก็ท่านก็ขึ้นไปนั่งพอไปนั่งสารีบุทธได้ก็พวกปริพายชคเขาจึงมีน้ําลยมีน้ํามีกระติกน้ํามีอะไรเขาก็เลยเอาน้ําถวายท่านท่านก็ล้างมือพอล้างมือเสร็จแล้วท่านก็นั่งฉันนะพอฉันท่านก็ แบ่งอาหารให้ท่านสารีบูตรบ้างเอ่อแต่นี้พระสารีบูตรพถามว่าเอ๊ะท่านท่า น, านชื่อชื่ออะไรท่านบาอกอาตมาชื่ออาจชิชิท่านชอบในศาสนาไหนศาสนาพระโคตมพุทธเจ้าท่านสอนถ้าพระพุทธเจ้าพระโคตมท่านสอนอะไรเดี๋ยวน้ท่านสอนอะไ ร, นอนอะไรในคําสอนของท่านพระอาจิชิพอโออาตมาเพิ่งบวชใหม่บวชยังไม่นาน จะให้สอนในรายละเอียดนะไม่ได้หรอกถ้าจะย่นย่อเนนะี่ยได้อยู่แต่ทั้งที่พระอาจายชียนะ้เป็นพระอรหันต์นะนะท่านยังถ่อมตนตนอย่างมากท่านจะสอน8ปดหมสพันพระธรรมมาขันก็ได้เพราะหเหตุอะเพราะท่านได้บรรลุธรรมแล้ยตบแล้วเป็นด็อกเตอร์แล้วเหนือกว่าด็อกเตอร์อีกเลยในหลักธรรมคาสอนแต่ท่านถ่อมตวนว่าอาตมาเพิ่งบวชไหมในศาสนาของพุท ธ, ธะจะอธิบายให้กว้างขวางไม่ได้ เอาเถอท่านาท่านอาจจะชีผมสาริบุตรในกลุงราชกุศลเนึ่เขาก็เลื่องหรือว่าผม เ, เป็นผู้มีปัญญาท่านไม่ต้องพูดมากพูดให้ยน่นย่อหัวใจท่านนะให้ผมฟังผมจะได้ศึกษานยเออตั้งใจฟังนะตั้งใจฟังได้จะพูดให้ฟังนะจากนั้นท่านก็บอกว่าเยธรรมมาเหตุตัปภาวะเรื่องทั้งหลายออกมาจากเหตุพระพระทุทธองค์พระพุทธเจ้าสมาั ตองดูที่เหตุดับที่เหตุนั่นแหละมันมีเหตุจัก่อนมันจะค่อยมีผลเพราะนั้นเรื่องทั้งหลายออกมาจากเหตุทั้งหมดพระสุคตสอนอย่างนี้พอพระสารีบุตรได้ฟังเพียงคํานั้นเท่านั้นเรื่องทั้งหนออกมาจากเหต์เท่านั้นะเหต์คือคือมาจากใจใช่ไหมล่ะเอเรื่องทั้งหลายออกมาจากใจทั้งหมดพอจากนั้นถ้าดับเลยว่อดูที่ใจเลยพอไม่ยึดมั่นถือมั่นที่ใจ ท่านได้สำเร็จพระโสราบันในขณะนั้นเพราะได้สําเร็จพระโสดาบันโอ้อาจารย์ของ อ, อาจารย์ของเราอยู่ไหนครับท่านอาจารย์ ช, ชีเออเดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าท่านประทับอยู่ที่กรุงอยู่ที่วัดป่าเวลุวันนะถ้าหาว่าท่านสาริบุตรจะไปก็ไปได้ครับผมผมจะไปเดี๋ยวนี้ครับผมเออเอาจากนั้น ก, ก็กราบลาพระท่านอาจารย์ ช, ชีเลยพอมาถึงพอมาเห็นโมคลา โมกลาเห็นสารีบุตรท่านแล้วโอ้ทําไมเพื่อนได้รู้เห็นอะไรวันนี้ทําไมหน้าตาสดใสเหลือเกินไม่ห่อเหี่ยวเหมือนวันก่อนๆโอ้ผมได้ฟังทำคําสอนของอพระเถระท่านหนึ่งธรรมณะท่านหนึ่งเออท่านสอนว่ายัางไงเออเอ า, เอ า, เอ า, เอาตั้งใจฟังเดี๋ยวผมจะสอนให้ผมจะบอกให้ฟังสมณะท่านนั้นท่านบอกว่าเรื่องทั้งหลายออกมาจากเหตุเยธรรมมาเหตุตุตะปะวา เรื่องทั้งหลายออกมาจากเหตุมีเหตุซะก่อนยัค่อยมีผลพรนั้นเึงจะดับเรื่องต่างๆต้องดับที่เหตุพอพระโมกคัลลาได้ฟังอย่างนั้นได้สําเร็จพระโสดาบันอีกนะนี่แหละในการสําเร็จของท่านท่านอยู่บ่อยปล่อยวางที่ใจนะอาจากนี้นก็ไปหาสนชัยเสะนะิอาจารย์สนชัยครับท่านอาจารย์จะไปด้วยผมไหมไปฟังเทศพระพุทธเจ้าอาจารย์โอ๊ยไม่ไปหรอกเราเป็น อาจารย์มโนมนานในกรุงราชคือเนี่ยเ อ, อเราจะไปสยบหัวต่อศาสนาพึ่งศาสนาพึ่งเกิดใหม่ไม่ได้ไปเอาพวกเธอจะไปก็ไปโออาจารย์จะรู้เองนะอาจารย์ต้องไปด้วยนะไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ไปพอพระมคคัลาสารีบุตรท่านในสำเร็จพระโส ด, ดาบัติท่านรู้อะไรเป็นอะไรแล้ว เ, เออถ้าอาจนรย์ก็เอาถ้าอาจารย์ไม่ไปพวกผมจะไปนะเ อ, อไปอันนี้พวกถุกสิทธิ์ของสันสายทั้ง สองร้อยห้าสิบคนเราท่านสารีบุตรโมกคลาครับถ้าท่านไปผมก็จะไปด้วยผมจะไม่อยู่กับอาจารย์สัญชัยล่ะอาจารย์สัญชัยจะอยู่ตามลำพังกันเลยอาจารย์ไม่ไปอยู่แต่ผมจะไปพวกนั้นก็เลยไปกับโมกคลากับสารีบุตรสองร้อยห้าสิบคนเออไปกับไปกับฟังเทพธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าสนใจเลยโอ้เสีย อ, อกเสียใจพวกคนหนีออกจากกองเอิงถมบท อาเกียนเป็นเลือด ก, ก็เลยตายเนะนี่แหละทิฏฐิมานะไม่ใช่ธรรมดานะศ ร, รัทธาญาติโยมนะถ้าสนใจไปฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าสักก็จะได้รู้แจง้งเห็นจริงในอดในทำข้อใดข้อหนึ่งแต่นี้ไม่ยอมไปเพราะทิฏฐิไนงะว่าตัวเองเนะ่ยเคยเป็นคณาจารย์มาก่อนแล้วเนะี่ยผลในสุดพวกทั้นไปก็ได้ฟังในสําเร็จมักสำเร็จผลแต่นั้นพระโมกคลาเนีบวชมาได้7จ็ดวันนะท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ ภาษาริบุตรบวชมาได้15วันท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระหันสําเร็จพระหันของภาษาลิบุตรเนี่ยท่านบอกว่าวันนั้นน่ยทีคณขะคือหลานชายของอนาถาหลานชายของภาษาลิบุตรเนี่ยเป็นลูกของนาของอาเนี่ยไปเอ๊ลิบุตรหวงอาของเราเนี่ยเป็นผู้กระเตืองเรื่องลือเป็นผู้มีปัญญามากแต่ไปสยบให้กับสมณะโครมพุทธเจ้า ขึ้นศาสนาขึ้นเพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่หมเอ๊ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเลยทําไมอเอหลวงอาหลวงนาของเราทำไมโง่นักเสื่อเอี่แต่นี๋ดูไปดูใช่เราจะไปดูใชเป็นยังไงสมณธรรมนี่แหละที่หลวงอาของเราเคารพนับถือเริ่มไสเนี่ยเพราะภาษาลิบุตรเป็นพระโสดาบันนะใช่ไหมไอ้หลวงอาไอ้ทีาคาัตตคที่เป็นหลานชายเนะี่ยก็ไปไปเขาเห็นภาษาลิบุตรนั่งอยู่ตั้ง ข้างหลังพระพุทธเจ้าคือนั่งในพระอัชฉริย์คือเบื้องหลังท่านถวายงานพัดพระพุทธเจ้าอยู่ตอนนี้่านธกบีถวายงานพัดพัดถวายพัดมันอากาศร้อนนะทีาคณะขาร์นี่กัไปก็นั่งตั้งพระพุทธเจ้า ก, ก็เทศให้ฟังนะเทศเทศเทศเทศ เ, เรื่องแนวปฏิปทาเรื่องแนวความคิดของพุทธะที่อบรมสัง่งสอนเทนี้ทีคณะคากับพ่องพางขึ้นมาอะไรอย่นั้นเล ย, ยเออพ่องพางา่าสมณะโคตรม ที่ท่านตรัสไปนี่นละที่ท่านพูดไปนีนะ่ผมไม่พอใจทั้งหมดเนะพราะเหนหุอะไเพราะมันมันมีความไม่พอใจอยู่ในใจอยู่แล้วนะเห็นหลวงอาของตอนเองนะมาถวายงานพัดพระพุทธเจานะ้าคือความไม่พอใจมันมีอยู่ในในใจหลานของทีฆนาคนะสมนักโคดมที่ท่านตรัสไปที่พูดไปนี่ผมไม่พอใจทั้งหมดพราะพระพองค์บอกว่าทีคณขะเธอควรไม่พอใจ ในความคิดเห็นอันนั้นของเธออีกด้วยนะพระองค์สำทับข้อยู่นั้นเธอควรไม่พอใจในความคิดเห็นอันนั้นของเธออีกด้วยภาษาลิบ ท, ที่ฟังธรรมเทศนาคือคําตัดตรัสคํานี่แหละภาษาลิบุี่อยู่เบื้องหลงังได้สําเร็จเป็นพระอรหันในขณนะนั้นะนี่แหละก็คําคนั้นอีกตรงนั้นอีกด้วย น, ะนี่แหละพภาษาลิบตรได้สําเร็จเป็นพระอรหัน ที่ได้ฟังธรรมเทศนาของผู้ใดเจ้าที่พระองค์สอนที่วัตถีคณขะที่เป็นหลานชายแต่วัตถีคณขะท่านก็ไม่ได้บอกว่าเขาได้สําเร็จแล้วเขาไปตกนรกก็ไม่ทราบอย่งเหมือนกันนะแต่ภาษาริบุตรได้สําเร็จเป็นพระราหานี่แหละอันนี้ก็ขอบอกกล่าวให้คณะสัตยาญาิโยมลูกหลานสัตยาญาณโยมทุกท่านนี่แหละหลักธรรมคําสอนถ้าเราครบคนดีเราก็จะไปเป็นในทางที่ดีถ้าเราครบคนชั่วเราก็จะไปในทางที่ชั่ว คบคนดีคือกัญเรยาณมิตรถ้าคบคนชั่วเปิดปาปมิตรพระโมคขลาภาษารีบุตรไปพบกับท่านอา ช, ชิชนะิที่เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ท่านสอนแนะนําเพียงคําย่อยๆพอเข้าใจท่านได้ท่านก็ได้สําเร็จสําเร็ จ, รจมักสําเร็จผลแต่เมื่อท่านได้สาเร็จมักสําเร็จผลนั่นโอ้ภาษารีบุตรเคารพต่อพระอา ช, ชิชิอย่างมากเท่นี่ เ, เขารคือเป็นอาญานคนแรกที่ท่านสอนธรรมะให้กับเราเทั้งที่เป็นธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแต่ว่าอาจาชีเป็นผู้หยิบยึดให้กับเราท่านซึ้งใจอย่างมากในเมื่อท่านได้สําเร็จเป็นพระอรหันแล้วนะพระอาจาชีอยู่นสถานที่ใดคือวันนี้ท่านไปท่านอาจาชีอยู่ทางทิศไหนนะวันนี้ท่านทางทิศ ต, ตะวันออกออพระสารีบุตรก็หันศีรษะไปทางทิศ ต, ตะวันออกกราบ ภาษาจะชี้สะกก็ค่อยนอนแต่ท่านไปที่อื่นว่าวันนี้อาจจะชี้อยู่ทางทิศตะวันตกท่านก็หันหัวไปทางทิศตะวันตกกล่าบแล้วก็นอนคืออันท่านอาจจะชี้อยู่ในทางทิศใดภาษาริบูดจะหันศีรษะไปทางทิศนั้นแล้วก็กล่าบแล้วก็นอนจนพลุกพล์ของภาษาลิบูดโอ้ตายอาจารย์ของเราเป็นมิตรสาทิฐิเสียแล้วบางทีก็หันหัวไปทางบันไดก็มีหันหัวไปทางทิศนั้นทิศนี้ก็มี อาจารย์ของเราเป็นประสาทและเป็นบ้านแน่ๆได้ยังไงเนี่วันนะี้ลูกศิษย์ลูกหาก็สงสัยอีกทีหนึ่งเจไดรก็ไม่กล้าถามเลยก็ไปฟ้องพระพุทธเจา้าเนยพระพุทธเจา้าค่ะโอ้อาจารย์ของข้าพระองค์นี่แปลกเลยแหละเนื่อวางทีหันหัวไปทางบันไดแล้วก็นอนเอ <c oughs> หันหัวไม่มีทิศทางเลยแปลกๆเลยพระองค์บอกเอาสารีบุตรพวกเธอไอ้ลูกศิษย์ลูกหาก็มอง บอกมาฟ้องหมาบอกเราเนี่ยทําไมเธอจึงทําอย่างนั้นเธอมีความหมายอย่างไรคือนขนาดภาษาริบุททาอะไรต้อง เ, อเป็นผู้รอบขอบอยู่แล้วเนี่อจะไม่ทําแบบสุ่ม 4, สี่ซุ่มห้าอยู่แล้วแต่เนี่ยพระพุทธองค์ก็ถามว่าเธอทำอย่างไงทําไมถึงทําอย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้าอาจารย์ของข้าพระองค์คือท่านอัจฉริได้หยิบทำคําสอนของพระองค์มาสอนในวันนั้น ข้าพระองค์ได้สําเร็จพระสวดาบันด้วยธรรมที่ว่าเยธรรมมาเหตุตพัพภวะเรื่องทั้งหลายเกิดจากเหตุเพราะฉะนั้นข้าพระองค์เคารพคารวะในอาจารย์ของข้าพระองค์ท่านอาจารย์ชีอยู่รากสถานที่ใดข้าพรเจ้าข้าพระองค์หันศีรษะไปทางนู้นแล้วก็กลาบด้วยความเคารพคารวะพระเจ้าข้าเนี่ยพระโต هب วัานนี้ลองดูก่อนสงทั้งหลายเนี่ยเน่ยสารีบุตรเป็นตัวอย่าง ท่านได้ทำจากท่านผู้ใดท่านไม่ลืมไม่ลืมบุญคุณจากครูบาอาจารย์นี่แหละขอให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังอย่างพวกเราท่านทั้งหลายนะที่นั่งอยู่ที่นี่นะเป็นลูกศิษย์ของหลวงตาเนี่ยหลวงพ่อก็เหมือนกันเป็นลูกศิษย์หลวงตาหลวงตาอยู่ณสถานที่ใดหลวงพ่อกล่าบคารวะองค์หลวงตาด้วยความรึกซึ้งเงื้อถึงใจเพราะหลวงตาเป็นผู้แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้รู้แจ้งเห็นจริง ว่ในข้ออัดข้อทรมากมายในหัวใจของพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะที่หลวงพ่อได้พูดในเรื่องราวต่างๆให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาทึงสองเรื่องนะเรื่องของศีลและกาเรื่องของธรรมที่ได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลให้เป็นแนวทางให้เป็นแนวความคิดสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษานะาถึงจะ พูดยาวไปสักหน่อยวันนี้ก็นานๆพวกพวกเราก็เคยทานอาหารมาจนพอแรงแล้วละ่ะหลวงพ่อก็ทานอาหารมาถึง72ปีแล้วละ่ะแต่ว่าได้ทานนานๆนานๆสันนนนนนนนกหน่อยก็คงจะไม่เป็นไรมั่งนะพวกเราทานทั้งหลายต่อนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาในะวันนี้นะ